กฎแห่งกรรมใน คนที่ปฏิบัติชั่วย่อมได้รับผลชั่วที่เพราะผลของมันจะสะท้อนกลับมาหาตัวผู้กระทํานั่นเองดังเรื่องกฎแห่งกรรมต่อไปนี้ย่อมได้รับ ศูนย์ที่พากันวิ่งมาขอเนื้อเอาอยู่มาวันหนึ่งไม้แต่ไม่มีเนื้อติดมือมาด้วยกลับ ที่เด็กๆวิ่งเข้าไปขอเนื้อจากเขาเหมือนเดิมแต่เขาได้ให้ดอกไม้แก่เด็กคนละดอกต่อมาหลังจากนั้นเขาก็ตายมามากมายเด็กๆ บนหัวมีดอก ได้ปราบที่กำเริบเสิบสานอยู่ชายแดนให้ ท่านจะไปไหนหรือที่อยู่ของท่านคือที่ไหนไปไหนหรือที่อยู่ เพื่ออุทิศไปให้เปรตเปรตนั้นก็ เพื่อจะโปรดเปรดฝ่ายโกลิยะอมาตลงจากเรือ ปูอาสนะถวายแด่พระ และคำโต้ตอบของเปรต มหาชนพากันมาประชุมเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าพากันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประชุมเพื่อที่ว่า มหาชนทั้งหลายก็ได้ กระจายเพื่อหาอาหารไปคนละทิศคนละ จึงได้ถูกไฟคือความหิวกระหาย เกลียดขรันชอบแต่ความบ้านคนรับใช้รับใช้ทรัพย์สมบัติ เราจุติจักเปลดนี้ ย่อมมีอยากได้อะไรก็ได้ดังใจหวังนันทวันอันมีโภค้ามากสวยรื่นรมย์อยู่ มีลาบุรุษและสตรีถือพัดอันประณีตด้วยแววหางนกยูงคอยพัดให้ในเวลาเป็นทารกก็ทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายหมู่ญาติพี่เลี้ยงนั่งนมผลัดกันอุ้มไม่ต้องเอาเท้าแตะพื้นดินมีผู้คนคอยเลี้ยงดูรับใช้อยู่ทั้งเช้าและเย็นตลอดชาติสุนันธวันเป็นสวนใหญ่ของเทวดาเหล่าไตรทศเป็นสถานที่ไม่มีความเศร้าโศก มีแต่ความน่ารื่นรมยอมมีเฉพาะแต่คนผู้ที่ทำบุญไว้ผู้ใดปลาธนาเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าตรยทดพึงทำบุญกุศลไว้ให้มากเพราะว่าบุคคลผู้ทำบุญไว้ยอมบรรเทิงใจอยู่ในสวรรเพรียบพร้อมด้วยโภคสมบัติพระผู้มีประภาคเจ้าทรงแสดงธรรมโดยพิศดาลตามควรแก่อัฒยา หลังสัตว์ 84,000 ได้ ความสุขความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเป็น เราไม่รู้ความดีจึงเป็นที่เพึ่งอย่างแท้จริงของเราว่าชีวิตพร้อมที่จะออกเดินทางอยู่ตลอดเวลาจะๆ การพิสูจน์ว่าชาติจะรู้เองเห็นเองว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่อย่างไรก็ดีหรือไม่ ถึงเราก็ยังได้รับผลดีอยู่นั่นเองข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ 6 ตุลาคม 2551